بسم uh uh uh ur ah الله الرحمن الرحيم ฮฺอَลลอฮฺอัลลอฮฺ ل ัลลอ ن ฺอัลลอฮฺอ و ลลอฮฺอัลลอ ن ฺ ه ัล ا ن ฮ س อัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอ ا ل ل อฮฺอ م ล ن อฮฺอ ن ลลอฮฺอัลลอฮฺอ ا ลลอฮ ن อัลลอฮฺอ ا ลลอฮฺอัล ا อฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอ اللهم ص ل m a salli ala Muhammadi wa ala alihi wa a s h a ا i wa man tabi'uhu ربي شرح لي صدر ي و ي س ر لي أمري وحل ل ع ق د ة من لساني يفقه قولي اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نموت وبك نحيا وإليك النشور اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقني وأناعبدك وأناعلىعهدك و و ع د ك م س ت ط ع ت أ ب و أ ل ك ب ن ع م ت ك ع ل ي و أ ب و ب ذ ن ب ي فغفرلي ف إ ن ّ ه ل ا ي خ ف ر ذ ن و ب ل ا ن ت ا ل ل ه م ا ن ي أ ع ذ ب ك م ن ش ر م ص ن ع ت ا ل س ل ا م ع ل ي ك م ر ح م ة ا ل ل ه و ب ر ك ا ت ه พี่น้องที่ร่วมนมัสซุบทุกๆท่านครับพี่น้องคงจะเพ้อกันนะ เมื่อคืนในอยู่กันดึกทำดแล้วขอบคุณอัลลอฮฺ سبحانه และก็ุตาลาที่อัลลอได้ประทานนะนะให้กับมนุษย์เนี่ยมากมายเหลือเกินสิ่งที่อัลลอประทานให้เนี่ยส่วนใหญ่เราจะเรียกว่าเนาะมะหรือเนาะมะ ส่วนใหญ่นี่นะของที่เราขอจากอัลลอฮ์เนี่ยเราขอไม่เยอะหรอกอัลลอฮ์ก็ให้แต่ส่วนที่เราไม่ได้ขอเนี่ยอัลลอฮ์ให้นะไม่ได้ขอแต่อัลลอฮ์ก็ให้อะแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้นึกแต่กุรอานที่เราอ่านเนี่ยนี่ในช่วงอาทิตย์ที่แล้วมาถึงอาทิตย์นี้เนี่ย ชีให้เราเห็นบอกว่าสิ่งที่เราไม่ได้ขอจากอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอ์ก็ประทานให้ยกตัวอย่างง่ายๆอย่างร่างกายของเราทั้งหมดทั้งร่างนี้แหละสิ่งที่อัลลอ์ได้กล่าวในคัมภีร์คุรานก็เช่นตาสองข้างปากริมฝีปา ก, ปากสองริมฝีปากหนึ่งลิ้นซึ่งมันเป็นเอเจนต์เป็นตัว เป็นตัวประกอบที่สำคัญที่สุดของร่างกายนะสองหูสองตาสองริมฝีปากหนึ่งลิ้นซึ่งเป็นเนื้อมาตอันยิ่งใหญ่เหลือเกินเน่ยแล้วก็หนึ่งหัวใจถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้เราเป็นคนไม่ได้เลยแล้วสังเกตนะครับว่านาบีอิบราฮีมเนี่ยขอดุอาแล้วอัลลอฮ์เนี่ยรับานาแค่ด้นการขอดูอาเนี่ยพี่น้อง เราต้องคือความสำเร็จเนี่ยนะของเราเนี่ยมันยึดอยู่กับการขอดุอาด้วยนะเคยแนะนำแล้วว่าดุอาเนี่ยมีทั้งหมดกี่รายการนะห้ารายการก็ขอย้ำนะหนึ่งขอแล้วได้เลยสองขอแล้วได้ช้ากว่าจะได้เนี่ยช้าสิบปียี่สิบปีสามสิบปีใช่ไหม อันที่สามเนี่ยขออย่างหนึง่งอลัลลอฮ์ให้อีกอย่างหนึง่งพอคนที่ได้อย่างนี้เนี่ยมันจะคนธรรมดารุรร่นรุ่นนบีทั้งนั้นแหละขออย่างหนึง่งอลัลลอฮ์ให้อีกอย่างหนึง่งเช่นขอลูกผู้ชายอาลัลลอฮ์ให้ลูกผู้หญิงอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันที่สี่เนี่ยขอแล้วอลัลลอฮ์ไม่ให้อแต่อลัลลอฮ์จะเบี่ยงเบนบาลา การทดสอบการบลาการลงโทษไม่มีสังเกตนะครับนี่ข้อข้อที่สี่นี่สรุปมานะข้อที่ห้าขอแล้วบนดุลยานี่ที่เราขอนะอลัลลอ์ไม่ให้แต่ไปให้หลังตายให้ไหมให้แต่ไปให้หลังตายช้ามากเลยเพราะฉะนั้นการขอดูอาต่ออลัลลอ์เนี่ยเป็นเรื่องมันเป็นอิบารนะ การขอดุงอาเป็นอิบะดชนิดหนึ่งนะครับที่สำคัญที่สุดฉะนั้นเวลาเราขอดุงอาต่ออัลลอฮ์เนี่ยอัลลอ์ก็เตือนว่นยังพีคุณอ่านเหมือนกันว่าคนที่ขอดุงอาเนี่ยต้องเป็นคนที่หนึ่งเสื้อผ้าที่ใส่ต้องได้จากเงินที่ฮลลลนะครับเสื้อผ้าที่ใส่เนี่ยต้องได้มาจากทรัพย์สินที่ฮลลลอย่าได้มาในทางที่ฮลาล อาหารการกินแต่ละวันแต่ละวันที่ได้มาเนี่ยต้องได้มาจากเงินที่ฮาาลเสื้อผ้าฮาานอาหารฮารานเครื่องดื่มฮารานแล้วก็ตอนที่ขอเนี่ยใจต้องไม่ลอยด้วยถ้าใจลอยเนี่ยอลัลลอฮ์ก็ไม่รับนั่นการขอต้องขอด้วยความตั้งใจแล้วก็มั่นใจว่าการขอนี่อลัลลอ์ให้แน่ <c oughs> การขอดถอายต่ออัลลอฮ์เนี่ยแม้แต่การดถอายของคนที่อะไรนะของคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยอัลลอฮ์ก็รับมาถ้าถ้าคนมุสลิมเนี่ยไปรังแกไปรังแกคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเวลาเรามีอำนาจเนี่ยเราก็ไปรังแกคน น, นั้นรังแกคนนี้คนที่ถูกรังแกไม่ใช่ผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์นะอัลลอฮ์ก็รับดถอายของเขาเหล่านั้นด้วย เพราะฉะนั้นเราต้องกลัวนบีเลยสั่งบอกว่าจงกลัวนะการขอดุอาของคนโซเลมของคนมัสลูมคนที่ถูกอาธรรมเนี่ยเราต้องระวังให้ดีนะครับเวันนี้เนี่ยอายะนี้ที่กำลังจะศึกษากันต่อไปนี่นะครับอยายะที่38บรับบนานอินกาตาอัลลมุมานุขฟีวะมานุอัล ว่าไม่ยั่วฟ้าสำหรับพระเจ้างม่ใช่พระเจ้านี่เป็นการพูดชมอัลลอฮ์นะครับนี่เป็นการพูดชมอัลลอฮ์นะพวกเราเนี่ยพวกเราเนี่ยชมอัลลอฮ์ไม่ถึงห้านาที ไม่รู้ชมอะไรชมไม่เป็นแต่ลองถามสิวันลูกชายคนลูกสาวคนเป็นยังไงโอ้โหชมต่เป็นโชว์งงนะอื้มทำปปับปบปบคุยได้หมดเลยลูกเปน็นยังไงยังงยังไพอถามว่าอาลัลลอฮเป็นไงไม่ถึงห้านาทีเราต้องเปลี่ยนเรื่องคุยแสดงว่าเราเนี่ยใจเราเนี่ยมันจะผูกพันกับอลัลลอฮเท่าไหร่สังเกตสังเกต อ่าลองชมแฟนหน่อยสิจริงแต่งงานกันใหม่ๆเนี่ยโอ้โหชมหน้าดูเลยแค่ซักเสื้อผ้าให้ครั้งเดียวนั่นแหละโอ้โหโอ้ยชมแล้วชมอีกถ้าที่อัลลอฮ์นะให้ทุกสิ่งทุกอย่างนะ่ะพูดมาถึงห้านาทีเนะ่ยหมดแลหมดภูมิไม่ออกไม่รู้จะชมอะไรอัลลอฮ์ก็ขอให้เราคิดคิดใหม่นะคิดใหม่นบิอิบรอฮิมเนี่ยอัลลอฮ์เล่านาบีอิบรอฮิมชมอัลลอฮ์เนี่ยดูดอินรบบานะแปลว่าอะไร ข้าแต่พระผู้อาภิบาลของเรารบบนาเนี่ยมีความหมายดีนะข้าแต่พระผู้อาภิบาลของเราคืออัลลอฮุมารบบนาก็โอ้อัลลอ์นั่นแหละนะอินนะะักแท้จริงพระองค์เนี่ยตาละมูทรงรู้อ่าตาละมูอัลลอฮ์น่ะทรงรอบรู้มานุฟีที่เราปิดบงัง มีการชมมาลตางลาทั้งหมดนะครับแท้จริงพระองค์รู้สิ่งที่เราปิดบังนุคฟีบะว่าปิดบังวามาหนวลินและที่เราเปิดเผยคือทำความดีหรือทำความชั่วอะไรก็ตามที่ปิดปิดไว้ไม่ให้ใครรู้เนี่ยทำอยู่คนเดียวเนี่ยนะอัลลอฮ์ก็รู้วามาหนวลินหรือเราทำต่อหน้าคนเยอะๆอัลลอฮ์ก็รู้เนี่ยสอนใจเราทั้งหมดเนี่ยนะ ขอด้ว ย, ย ร, รบบนาอินนกตะแลามุมานุขฟีวมานุอัลินอาญานี่ครูอิสมาอินะอมัดนะเสียชีวิตไปแล้วนี่ยนะอ่านประจาตอนเป็นครูเนี่ยก็เป็นอิหมามเนี่ยเรื่องมันมาสักสี่สิปีเนะขออาอ่านอาญาเนี่ยพแล้วเป็นอิหมามก็อ่ า, านอาญนีรบบนาอินนกตะแลามุมานุขฟีวามานุอัลิน และมีอีกคนหนึ่งเป็นเป็นอาจารย์ผมอยู่ที่อินเดียนะอ่านอัจฉริเนี้ยนี่เพระาะาอ่านปัพบทำให้เรานึกนึกถึงชีวิตเก่าๆ เ, เรานนามาตามบรรดาผู้รู้นะครับเขา อ, อ่านโซล่ไหนทำไมตรงเน้นตรงนี้ไม่เป็นการํำลึกถึงอัลลอฮสุบฮานหูวาตาลาเป็นการพูดชมอัลลอฮสุบฮานหูวะตาลานะครับรับบะนาอินนักต้าเลมุมานุขฟีวะมานุอัลลิน ข้าแต่พระผู้อภิบาลของเราเอ๋ย <c oughs> แท้จริงตาลมุมานุฟีวามานัวลินพระองค์ทรงรูท้ที่ที่เราปิดบังวามานัวลินและที่เราทำโดยเปิดเผยวามายัฟฟาละลอฮิมิชัยอิมฟิลอรดวะลาฟิสสมมาและไม่มีสิ่งใด นะครับมายักฟาอัลลอฮฺที่มใช้ไม่มีสิ่งใดที่ซ่อนเร้นจากอัลลอ์ได้ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ที่จะซ่อนเร้นที่อัลลอ์ไม่เห็นที่อัลลอ์ไม่รู้เนี่ยไม่มีคืออัลลอ์เนี่ยอยู่ที่ไหนนี่เป็นอักดีดานะ ท, ที่ที่ใหญ่ที่สำคัญข้อหนึ่งพอลูกถามว่าพ่อ พ, อ, พ อ, อัลลอ์อยู่ไหนเนี่ย คำตอบก็คืออัลลอฮ์เนี่ยอยู่บนชั้นฟ้าอยู่ที่บาลังของอัลลอฮ์ฟิลอาชอัลลอฮ์อยู่ที่บาลั ง, อ, ง, Allah, ล อ, อ, ยลงอยู่บนชั้นฟ้านะครับแต่อนะัลลอฮ์น่ะทรงเห็นทุกห น, ท, กหนทุกแห่งจะอยู่ตรงไหนอัลลอฮ์รู้หมดโดยไม่ต้องใช้สื่อเนี่ยพี่น้องที่จิจชมทีวีอยู่ในขณะนี้เนี่ยนี่นผ่านสื่อนัเนี่ยผ่านทีวีใช่ไหมลนะ่ะแต่อัลลอฮ์เนี่ยไม่ต้อง ไม่มีสื่ออัลลอฮ์อะไรทั้งเห็นทั้งรู้ทั้งได้ยินทั้งหมดแต่อัลลอฮ์อยู่บนบัลลังของอัลลอ์นี่เป็นอาคีดาที่ของชาวสลัลเพราะบางคนบอกว่าอัลลอ์อยู่ทุกหนทุแหงเนี่ยไม่ใช่ความรู้ของอัลลอ์น่ะอยู่ทุกหนทุแหงมนุษย์จะอยู่ตรงไหนของโลกใบนี้อัลลอ์รู้หมดใช่ไหมขนาดที่มุสลิมหรือคนทั้งโลกเนี่ยไปอยู่ที่ทุ่งอะไรนะทุ่งมีนาอาระฟะ ระหว่างที่ประกอบพธิธีฮัตอยู่เนี่ยขอดธอษฐาพร้อมๆกันเอาวสี่ล้านคนต่างคนต่างขอเนี่ยนะนอัลลอฮ์รู้หมด่าคนนี้ขอเรื่องอะไรขอเรื่องอะไรขอเรื่องอะไรรู้หมดไอเราเนะ่ยแค่สิบคนคุยเท่านั้นแหละไม่รู้แล้วแต่ของอัลลอฮ์นั้นไม่เหมือนมนุษย์นี่ไงที่นบีอิบรอฮิมชมอัลลอฮ์สุฮาวหานหาะนะ วมาไมายั่วว่าไม่ยั่วฟ้าต่อพระเจ้าไม่ิ่ว่อะไรที่อได้ในแผ่นดินนี้และไม่มีในชั้นฟ้าด้วยจำนวนมาลาอิกาเนี่ยมีเท่าไรไม่มีใครรู้แต่เยอะมากกว่ามนุษย์นะอ่ะมนุษย์ตอนนี้มีเท่าไรนะ เจ็ดพนล้านหรือ8ปดพนล้านเจ็ดพล้านก็มีแค่นี้นะแต่ส่วนมารดากนะ่ะนับไม่ทันะ่วแค่มักลกที่อลัลลอฮ์สร้างมาบนชั้นฟ้านี่ก็เราเองก็นับไม่ทั่วสิ่งที่อลัลลอฮ์สร้างมาที่เห็นด้วยตานะเช่นอย่างไรนะั้นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวเนี่ยนับไม่ทั่วอัลลอฮ์บะดมันยิ่งใหญ่เหลืเอเกินเนี่ยนะถ้ายิ่งศึกษาไปศึกษาไปอ่านคุอา น, นี่แหละแล้วก็ศึกษาวิทยาศาสตร์ไปด้วยนะ จะได้ความรู้อะไรเยอะมากเลยนะครับเอาต่อการจะอธิบายว่านาบีอิบราฮิมนั้นเป็นคอลีลุลลอออธิบายนิดหนึ่งนะนบีอิบรอฮิมเป็นอะไรนะเป็นคอลีลุลลออทาไมอัลลอฮ์จึงยกย่องให้นบีอิบราฮิมเป็นมิตรเป็นเพื่อนเป็นมิตรของอัลลอฮ์นะเพราะอะไรเพราะนาบีอิบรอฮิมเนี่ยอัลลอฮ์ทดสอบนะสอบทานหมดเลยอ พอผ่านมดโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งเนี่ยฝันว่าเชื่อใครนะเชื่อนบีอิสมาอีลลูกชายนยมีดอยู่ในมือเนี่ยใช่ไมแสดงวัตใจของท่านเนี่ย อ, อัลลอฮ์ัล ร, รักอัลลอฮ์เต็มเปี่ยมเลยใช่ไหมคือคนที่อัลลอท์ทดสอบแล้วก็ปฏิบัติได้ครบทุกอย่างนี่แหละอัลลอฮ์จะยกย่องให้เกียรติคนคนนั้นเยอะมากเลย แค่น้ดึงตั้งชื่อว่าไงนะคอลลุลลอฮเป็นมิตรแห่งอัลลอฮ์อาข้อที่สองนบีอิบรอฮีมนั้นเป็นอบุลอบุลอัมบียะเป็นพ่อของบรรดานบีทั้งหมดเป็นพ่อของของบรรดานบีทั้งหมดเรียกว่าอบุลอัมบียะอา่านสังเกตด้วยครับนบีอิบราฮิมมีลูกกี่คนสองคนอีกคนหนึ่งชื่ออิสมาอินและอีกคนหนึ่งชื่ออิสฮาก อิสมาเอลเนี่ยเอามาทิ้งไว้ที่ไหนที่มักกะเอาภรรยามาทิ้งด้วยใช่ไหมเราไม่เรียกว่าเอามาทิ้งหรอกเอาอะไรนะเอามาตั้งหลักแหล่งอ่าอินนีอสกันตุมินซุริยตีบิวาดินร้อยดีดีดะานนอินดาบัยติกัลมุฮัรรอมนี่นนบีอิบรุเหมขอดุอาไหมโอ้ลล l a h ฉันได้เอาลูกของฉันบางคนเพราะลูกท่านมีสองคน นะครับมีอิสมาอินคนกับอิสฮกคนหนึ่งเอาอิ อ, าอิสมาอินเนียไปตั้งหลักแหล่งที่สถานที่ที่ไม่มีต้นไม้เล่าเลยนะแต่ไม่ได้พูดว่าไม่ไม่มีน้ำมีไม่มีต้นไม้อย่างเดียวที่ไหนริมบ้านของท่านหมายถึงที่กาบาปัจจุบันนี้แหละโอ้ออละลโปรดให้ประชาชนทั้งหลายนี่นะ มุ่งมีหัวใจคิดถึงโอนเอียงมาทางเมืองนี้เหไหมเป็นห่วงอ่ะเป็นห่วงลูกทำไมให้คนชาวบ้านเนี่ยให้สนใจเมืองนี้ให้คิดถึงเมืองนี้แล้วก็ดูอานนี้อลัลลอฮ์รับไหมรับหมดเลยเพราะท่านเป็นคนดีอ่ะอัลลอฮ์ทดสอบอะไรหมดแค่เอาภรรยากับลูกมาปล่อยไว้ที่ไหนที่นครมักกะไม่มีต้นไม้ยังเอามา ปลยได้ยังเอามาตั้งหลักแหลงได้ยังเราเนี่จะกล้าเลยโอ้โหเราต้องเลือกเดี๋ยวนี้มีเซเวีเลเวนใช่ไหมเราต้องเลือกใกล้ใกล้ซเวนเวั่นแหละเข้าใจไหมจะได้ซื้อของได้อะไรได้แต่นบีอิบราฮิมเนี่ฝากอัลลอฮ์ฝากอัลลอฮ์อย่างเดียวอัลลอฮ์รับรอัลฮัมดุลิลลาห์ฉะนั้นเราเองหมนนี่นะได้ข้อเตือนใจว่างานทุกสิ่งทุกอย่างนั้นน่ยไม่ใช่เกิดขึ้นโดยความบังเอิญน่ะ นี่เป็นข้อเตือนใจให้ดีว่างานทุกอย่างเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นโดยความบังเอิญและอย่าคิดว่างานทุกอย่างนะอลัลลอฮ์ไม่ช่วยนะถ้าอาลัลลอฮ์ไม่ช่วยไม่สําเร็จเนี่ยเราเนี่อไงเนี่ยมีภรรยาะะอาลัลลอฮ์ช่วยไหมช่วยมีลูกอัลลอฮ์ช่วยไหมอา้าวช่วยอัลลอฮ์ช่วยหมดเพราะฉะนั้นต้องขอบคุณอลัลลอฮ์ต้องรำลึกถึงอลัลลอฮ์ต้องชุกรต่ออลัลลอฮ์ตลอดเวลานะครับ อัตมะกับอัลฮัมดุลิลลอฮฺที่ว่าบัลีอาล์ลิิบริสมาอิลลฺวอิสฮากะอัลฮัมดุลิลลอฮฺบรรดาการสรรเสรญเป็นของอัลลอฮฺนี่อัลฮัมดุลิลลอฮฺเนี่ยเป็การสรรเสริญอัลลอที่ดีที่สุดมี อุล玛ก็ อ, อธิบายนะเราเนี่ยอย่าไปจําไอ้ของไม่ดีของไม่ดีที่ผ่านผ่านมาในชีวิตเราเนี่ยอย่าไปจํามันจําแต่ของดีๆแต่คนส่วนใหญ่นี่นะ่ะไอ้ของดีๆเนี่ไม่เดือดจำหรอกประจําของที่ของไม่ดีเชื่อใช่ชไหมลนะ่ะเรื่องไม่ดีละจำํำโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่ง โดเฉพาะอย่างยิ่งนะนี่ฮะ ด, ดิษนบีเองเลยนะภรรยานี่เตือนนลยนะเตือนภรรยาที่อยู่กับสามีเนี่ยและสามีเนี่ยรับผิดชอบดูแลอ้าปลูกบ้านให้ยกตัวอย่างสองหาเงินหาริสกีเนี่ยเข้าบ้านภรรยาอยู่บ้านอย่างเดียวสามีไปหาเงินมานอกบ้านมาให้ภรรยา มีลูกนุนทำนุนทำนี้นนให้สาให้ภรรยารับผิดชอบดูแลเหน็ดเหนื่อยกับผู้ชายเหน็ดเหนื่อยมาเนี่ยนบีพูดเองนะนบีบอกว่าถ้าหาผู้ชายเนี่ยทำผิดครั้งเดียวแล้วก็ภรรยาเนี่ยรู้หรือว่าจับได้ว่าสามีเนี่ยทำผิดนางจะจะพูดว่าอย่างเงี้ยคุณน่ะไม่เห็นดีตรงไหนเลย ทั้งงที่ทำความดีมากี่ปีนะสิบปียี่สิบปีใช่ไหมนี่นบีพูดทำไมอย่างงี้นะ่ะเพราะมันมีบางคนมันพูดนะอ่ะบ้านกระปูกให้เสื้อซื้อให้อาหารก็จัดให้พอกเก็ตมา น, นี่ก็ให้พาไปทำอุ้มรอวไปทำพัจีบ้างไปเศร้าแอฟริกาบ้างพาไปหมดละไปไนัดก็ไปอะนะไปอินดูกอินเดียปากีพาไปเที่ยวกัน เยี่ยมลูกบางหลานบ้างญาติพี่น้องบ้างแต่ถ้าหากว่าภรรยาเนี่ยจับได้ว่าสามีนี่ทําอะไรไม่ถูกใจนะแต่ควาถูกต้องตามคำสั่งอัลลอฮ์น่ะอัลลอฮ์ไม่ได้ตำหนิแต่เมียตำหนิเมียก็จะพูดว่าสามีฉันนันเลวเนี่ยภาษานี้เนี่ยพี่น้องได้ไม่อยากจะให้ออกมาจากริมฝีปากของภรรยาทําไมเอาเรื่องนี้มาพูดเพราะนาบีสอนเอง ยกตัวอย่างอีกคดีหนึงนบีกำลังนมาดอยู่เนี่ยนมาดกุสุฟเนี่ยสุริ ป, ปราคารีนะสิริคติเนี่ยนมาดนมาดนมาดอยู่อัลลอฮฺให้เห็นภาพภาพอะไรนะภาพนารกกับภาพสวรรค์พอเห็นภาพนารกนบีก็กล้าวไปกล้าวหนึ่งเพื่อจะดูให้มันชัดว่ามันเห็นอะไรแล้วก็นบีก็ถอยหลัง กำลังนมาอยู่เนี่ยซอบ้านนบีนะ่ะงงกันหมดว่าเอ็นบีถอยก้าวหน้าถอยหลังทำไมพอนมาเสร็จซอบ้าก็ถามเวลาสุลลอนบีท่านเดินก้าวหน้าถอยหลังทําไมนบีก็อธิบายให้ฟังว่าฉันเห็นภาพของนรกฉันก็เดินก้าวไปก้าวหนึ่งเห็นอะไรฉันเห็นผู้หญิงในนรกนี่เยอะมากนะเห็นไหมไปน้องทั้งหลายนี่นบีพูดเองนะแล้วก็ ก็ถามว่าผู้หญิงตกตกนรกเพราะอะไรอ่ะผู้หญิงตกนรกเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าทรยศต่อคำสั่งอรรรณะไม่ใช่นะไม่ใช่เป็นกาเฟสไม่ใช่เป็นมุมชลิกไม่ใช่แต่เนื่องจากภรรยาบางคนนะไม่ใช่ทุกคนนะในราคุณต่อสามีของตัวเองเนี่นะไปนอตทั้งหลายนีย่เรื่องอย่างนี้เนี่ย ผู้หญิงอย่ามาทำหนีว่าเอ๊ด่าเจ้าชันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้ด่าใคงนั้นแหละเราต้องการเล่าเอาเรื่องนี้น่ะมาให้มุสลิมมาได้รับรู้ด้วยว่าเห็นอะไรไม่ดีไม่ดีเนี่ยมันต้องทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นบ้างไม่ใช่ไปจับผิดนี่ใช่ไหมจับผิดสามีเนี่ยเพราะสามีเนื้อเน็เน็ตเหนื่อยกับภรรยาน่ะเท่าไหรแล้วแค่ไปหาเงินหาเหสกีนอกบ้านเนี่ยก็เหนื่อยใช่ไหม ตอนนี้เราแกแล้วออกไปไหนไม่ไหวก็เก็บเงินเก็บทองที่สะสมอาไว้อปลูบ้านชาเช่าไว้หาสิบหลังเดือนนึงมาสักแสนห้าแต่ทำไม่ได้มันก็ผลงานของสามีทั้งหมดนั่นแหละสามีก็ขอดูอาตอ Allah อให้อ Allah อได้ประทานริสกีให้ก็ทำสำเร็จแล้วตัว น, นี้มันแกแล้วฉะนั้นไอ้ตอนแกแกนี่แหละมันต้องช่วยกันจำของดีๆอย่าไอไปจำของอะไรนะของที่ไม่ดี เ้าสังเกตถ้าหากเราไปจำของที่ไม่ดีนี่นะแล้วก็เอามาคุยกันนี่นะมาเล่าเนี่ยจะกล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลแลไหมจะกล่าวไหมไม่กล่าวถ้าจำเรื่องไม่ดีทั้งหมดอ่ะอ้มาคุยกับอหมัดอามันเลวอย่างนั้นเลวอย่างนี้จะกล่าวอัลฮัมดุลิลแลไหมไม่กล่าวเพราะฉะนั้น ให้จำแต่ของดีๆของไม่ดีอย่าไปจำคุรอ์อานตรงไหนรู้ไมในคุรอานหัวเล็กอ่ะอินนัลอินซานลรบบิฮละกานูตรงนี้อ้ยนี้อินนัลอินซานลรบบิฮละกานูแท้จริงมนุษย์เนรคุณกานูแปลว่าเนรคุณเนรคุต่อใครนะพระผู้อภิบาลของเขา อธิบายยังไงอุลมะอธิบายดีมากเลยนะนี่แหละคนที่จําแต่ไอเรื่องไม่ดีไม่ดีไม่ดีของคนอื่นแล้วก็นานๆก็เอามาคุยกันทีหนึ่งไอเรื่องไม่ดีของเขานี่นแหละแล้วเราจะมีโอกาสกลา่าวอาทำจริงๆแล้วไหมละ่ะก็ไม่กลา้กลากอือ ม, มันหน้า ม, มันหน้าขยี้มันน่าขยาําฉะนั้นอลัลลอฮฺเลยสั่งว่าอย่าไปจําไอเรื่องไม่ดีของคนอื่น นะครับจะนั่นจำแต่ของดีๆของดีๆจะได้มีโอกาสกล่าวว่าไงนะอัลฮัมดุลิลลับรดากาซาเรินทั้งหลายเป็นของอัลลอ์สุบฮานหูวาตาลาอ้าวต่อมาครับทีนี้ชมอัลลอ์เรื่องอะไรเนี่ยอัลลาีวาฮาบัลีเป็นผู้ได้ทรงประทานอ่าวาฮาบ้าเนี่ยแปลว่าประทานนะ อัลลอฮ์เป็นผู้ประทานลีให้แก่ฉันอะไรครับอาลัลก mm. ีบาริอาลัลกีบารยามที่ฉันชราแล้วอัลลอฮ์ให้ mm. ทั้งทั้ที่ตอนชราแก่แล้วเนี่ยให้อะไรรู้ไหมตรงนี้ไม่ได้พูดนะแต่ว่าให้ลูกคนแก่แล้วหมดไฟแล้วแต่ปีนม่ดังแล้วเนะี่ยยังได้ลูกอีกอ่ะ mm. อ่าตรงนี้แสดงนะเห็นว่านะผู้ชายเนี่ยนะถึงจะแก่แค่ไหนก็ตามถ้าแต่งงานนะกับผู้หญิงสาวๆนะโอกาสมีลูกได้ง่ายมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมน บ, บีอิบรอฮิมขอบคุณอัลลอ์น AH นะอย่าอัลลอฮ์ฉันแก่แล้วนะภรรยาฉันก็แก่แล้วฉันเองก็แก่แล้วใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นนะ AH อ่ะอัลลอฮ์ก็ฮลลาให้ให้ลูกมาเลย อ๋อหรอฉะนั้นลูกนี่นะมันเป็นนียมัดที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินนะพอมีลูกแล้วเนี่ยทำงานแทนเราได้ไหมได้ Allah. อ๋อหรอว่าแล้วก็งานเงินเดือนของลูกทั้งหมดนี่นะเป็นของพ่อทั้งหมดนะ่ะถามว่าลูกรู้เปล่าฉะนั้นถ้าลูกไม่เรียนาศาสนานี่ไม่รู้เลยนะว่าเงินเดือนของฉันเนี่ยมันเป็นของพ่อทั้งหมดนั่แหละของพ่อของแม่ทั้งหมดนะ่ะเขาขอต้องให้อ่ะ แตไม่มีใครขอหรอกพอพ่อก็รักษาศักศีพันกันอ้วก็ไม่ยอมของ่ายๆท่าลูกไม่รู้ก็เรื่องของมันสงเรียนหนังสือแล้วเนี่ยทำไมไม่คิดล่ะอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นลูกทั้งหลายต้องจําให้ดีนะเงินเดือนที่ได้มาจะเป็นกี่หมื่นกี่แสนก็ตามพ่อมีสิทธิ์ตรงนั้นพอมีดวอางท่านนาบีใช่ไหม น, นบีบอกว่ า, วาพ่อที่ตายเนี่ยคนที่ตา ย, น, ยนะ สบุตบัญชีมันเปิดอยู่สามช่องใช่ไหมละหนึ่งสโดโกกที่ทำไว้สองความรู้ของพ่อที่ที่สั่งสอนเอาไว้ขนไว้ผลบุญถึงพ่อหมดน่ะแต่ช่องที่สามเนี่ยผ่านใครผ่านลูกวะละดุลซอเลหุยญาดองละหลูกขอดุอาให้ถึงฉะนั้นลูกที่ดีมันต้องนึกถึงพ่อก่อนตายแล้วก็หลังจากตายด้วยถ้าก่อนตายต้องรู้ว่าเงินของลูกทั้งหมดนั่นเป็นของย่อนะ แต่ยอก็ไม่ขอเราดูดิดูมันจะให้ไหมลูกบางคนนะเนาะรอได้เงินจากลูกห้าร้อยก็ดีใจเดีวไม่เคยขอแต่ลูกฉลาดมันต้องมันต้องให้นะมันต้องให้เอารอให้ครั้งเดียวนะปีละครั้งมันนะชมอยู่นั่นแหละให้ลูกฉันเงินดีจริงจริให้ตัง้งห้ารอยใช่ไหมแต่ปีละครั้งไม่มีลูกไม่มีพ่อคนไหนที่ตำหนิลูกแล้วไม่มีนะครับแล้วลูกในกระแปลกนะ ฝากเงินกับกับแม่เนี่ยฝากไว้พันหนึงคนแล้วเบเกินอะ่ะสามสี่พันเนะนีเ่ยแล้ากกบพ่อเลี้ยงไม่เคยโตสักทีเลยอ้าวอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาดิวาฮาบัลีอัลลัลกิบรนะิอิสมาอีลวะอิสฮก นี่น่ะนบีอิบรอฮมนะขอชมอัลลอ์ว่าอัลลอ์ให้ลูกแก่ฉันนะชื่อมีสองคนใช่ไหมนะ่ะอิสมาอและอีกคนหนึ่งชื่ออิสฮากเไมเอยชื่อเลยเนี่ยไหมพ่อเนี่ยเอยเอยชื่อเลยลูกสองคนอัลลอ์ให้มาับฉันตอนไหนตอนที่ฉันแก่อัลกิบาริอัลกิบาริยามชาดานี่นชื่ออิสมาอและนาอิสฮาก a l l a h u akbar เอ่ยชื่อลูกเลยเห็ไหม h a m d u l ลล l a h อินนัรอบบิลลาสามิอุดะแท้จริงบรรพ้อภิบาลของฉันนี่ชมอัลลอฮ์นลนะลาสามิอุนเป็นผู้สงดได้ยินไหมได้ยินอะไรครับอัดดวงการวิงวอนหรือการขอพรอัอลลอฮ์ได้ยินหมดเนี่ยสอนพวกเราวันนี้เราขอดุอาค่อยๆนี่แหละ แต่อรรรู้ไหมรู้ฉะนั้นอรร์เ ah นี่สั่งบ่ๆแล้วขอดธาเนี่ยให้ขอค่อยๆ อ, อย่าขอเสียงดังให้ขอค่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยคนที่มามัสบูกมีนี่มันมดเนี่ ย, ยและอิหม่ามเนี่ยว่าให้สลามเสร็จแล้วเนี่ยเวลากล่าวเกลือว่าอะไรต่างๆนี่นะให้กล่าวค่อยๆมันไปรบกวนไอ้คนที่มาที่หลัง อ้ Finished าเช่นนามาตสุโบอย่างเงี้ยให้มามอ่านให้สลาแล้วก็เลยฟ้าที่ข้าอันดังๆอย่างเงี้ยเลยนะไอคนที่มาที่หลังนี่สับสนวุ่นวายหมดเลยโอ้ดูดูดูอิมามดูมามดูมันทําดูมันทำเลยเั้นไหมเงียบๆขอดูอาให้ขอเงียบๆนะครับเพราะว่าสัมมีอัลลอฮฺอัลอฮอลาได้ยินการขอดูอาของบ่าวของพระองค์อยู่ทุกทุกขั้นตอน ขอค่อยๆแล้วก็ถอด้วยกูชัวนอบน้อมทอมตนต่ออัลลอ์ดีที่สุดเลยนะครับนี่ครอบครัวนบีอิบรอฮีมเนี่ยรู้เปล่าตังหูตังหูเนี่ยที่ผู้หญิงใส่เนี่ยมาจากไหนรู้เปล่าในนี้ไม่มีแต่นึกได้เนี่ยนึกนบีอิบรอฮีมมีภรรยาสองคนภรรยาคนที่สองเนี่ยชื่อนางฮาจั ได้ลูกชื่ออิสมาอีนี่เป็นพรยาคนที่สองนะระยาคนแรกชื่อนางซาร่าซาร่อ่าแล้วมีลูกชื่อได้นะอิสฮากเนี่ยได้ที่หลังนะเมื่อก่อนเนี่ยนายเบบราหฮีมแต่งงานกับนางซาร่าเนี่ยพอแต่งเสร็จแล้วก็มีความจำเป็นจะต้องเดินเดินข้ามประเทศไปอีกเมืองหนึ่ง เมืองนี้เนี่ยก็ส่งทหารไปอยู่ตามชายแดนนว่าใครแปลกหน้ามาแล้วจับถ้าใครสวยๆเนี่ยส่งส่งกษัตริย์หมดอ่ะเสร็จแล้วก็นบีอิบราฮิมเดินผ่านมาภรรยาของท่านนางซารอนเนี่ยสวยมากอ่ะทหารเห็นเห็นภาพก็ขอร้องบอกขอจับขอคุมตัวไปให้กษัตริย์นบีอิบรอฮิมบอกกับภรรยาเวลาจับตัวไปเนี่ย บอกว่าอย่าบอกเป็นภรรยาฉันนะบอกเป็นน้องสาวเพราะว่ากษระสัดเนี่ยจะไม่ทําดินาที่มากับพี่หรือน้องพอจับตัวไปก็ความสวยนะโอโ้อยากจะทําดินากันจังเลยนะก็ยื่นมือจะจับนางสาวเราแต่เราขอดูอ้าวต่อรอดย้อนรอดช่วยหน่อยมือกษัตริย์สั่นจับไม่ได้ ยาลอให้หายกายระใสเขาเลาะให้หาให้หายท่านจะไม่ไม่ท่านจะไม่ยุ่งอ่ะครั้งที่สองทำอกีกมือสานอกีกครั้งที่สามเนี่ยใหญ่มากเลยสานทั้งตัวเพราะว่าเนียดไม่ดีตั้งใจจะทำศีนากับพระยาณวีอิบรอฮีมนางซาร่าเสร็จแล้วครั้งที่สามเนี่ยมันจะตายเอาหน่อสิสานทั้งตัวเนี่ยนางซาร่าก็ขอทุกอยาลางรอ ให้เขาหายให้กษัตริย์หายพอหายเสร็จแล้วก็ก็นึกผู้หญิงคนนี้มันจะผู้หญิงธรรมดาระหว่างที่นางซาร์อมาพบกษัตริย์เนี่ยนาบีบระฮิมทำอะไรน้ำมานขอดุอาอยู่ต่างคนต่างขอดุ่อาขอใครขอจะกอัลลอ์สุภาใ น, นวตาแล้วท่านนางซาร์อเนี่ยอัลลอ์คุ้มครองไม่ให้ผ่านมือผู้ชายที่สกรกเสร็จแล้วก็ กษัตริย์เนี่ยก็ประทับใจก็เลยมอบนางฮาจัยให้มาเป็นผู้รับผิดชอบดูแลนางซาลาในเมื่อผ่านางฮาจัดไปอยู่บ้านนบีบรูฮิมอยู่ได้ไงเลยผู้หญิงสองคนบ้านเดียวกันก็เลยนิกาพอเนกาเสร็จแล้วก็ก็มีข้อกติกากันไว้นะ่ะในครอบครัวเนี่ยพอมีลูกแล้วมืออิสมาอินมีลูกขึ้นมาเนี่ยนบีเลียมก็รักลูกอะ่ะ นางฮาจยอดก็รักลูกใช่ไหมอยากจะอยู่ใกล้ลูกบ้างอะไรบ้างใช่ไหมล่ะมันเป็นธรรมชาติที่อัลลอฮห่าสร้างมาเหมือนกันหมดนั่นแหละตอนนี้นางสารอสัญญาว่าถ้าหากว่าอย่าสูงสิงกันต่อหน้าฉันตอนนี้ยังธรรมดานคนมันมีผิดบ้างอะไรบ้างก็ก็ไปสูงสิงกันจับเห็นเห็นเห็นเนี่ยก็ทําสูงสิงกันก็ลงโทษว่าใครที่สูงสิงกัน จับได้ว่าทาผิดเจาะหูสั่งให้เจาะหูเป็นการลงโทษลงโทษนางฮายาก็ถูกเจาะหูพอเจาะหูเสร็จแล้วเนี่ยก็เอานั่นมาใส่ข้าวสาลีนะ่ะต้นข้าวสาลีมันสีดำพอมาใส่ที่นี้มันกลายเป็นสวยไปไอตอนเจาะน่าเจ็บ พอเจาะเซ็นแล้วพอใส่ไอ้เนี่ยต้นข้าวสาลีมันสีดำพอใส่ปั๊บโอ้ยยิ่งมองยิ่งสวยอีกยิ่งหึงมากขึ้นฟิตนามากขึ้นบ่นมากขึ้นใช่ไหมฉะนั้นการเจาะหูและใส่ต่างหูเนี่ยคนที่ทำคนแรกชาวบ้านต้องรับรู้ด้วยนะมาช่ยเฮูดีมาช่ยฝรั่งเศสมาช่อเมริกาภรรย า, าอิบรอฮีมชื่อนางฮาร์ ที่ถูกเจาะหูเป็นการลงโทษเสร็จแล้วก็เอาต้นข้าวสาลีมาใส่ใส่แล้วมันสวยแล้ววันนี้นะ่ะเจาะ ก, กันทั้งประเทศเลยใช่ไหมทั้งโลกเลยใช่ไหมแล้วก็เอาตะหูใส่โอลหลแล้วก็สวยทมดีๆแล้วนั่นคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยภรรยาแต่งตัวต่อหน้าสามีเท่านั้นแหละถ้าจะเปิดหูดหูเอา้เอาเอาอย่างัวโตวใส่ก็ใส่ไปต่อหน้าใคร ต่อหน้าสามีตัวเองมีผลบุญตอบแทนจากอัลลอสุภานะหูวาตาดาท่านพี่น้องหลายคนเนี่ยนะไม่รู้ว่าเจาะหูนะเจาะทำไมการเจาะหูครั้งแรกเป็นการลมโทษใช่ไหมแล้วก็สวยไหมสวยไอตอนสวยนะจำกันดีนักไอตอนถูกลงโทษทำไมจำใช่ไหม <c oughs> อ้าขอบคุณอัลลอนะครับเนี่เรื่องอย่างงี้เนี่เราก็ต้องรู้ด้วยนะแล้วขอบคุณอัลลอฮฺนะ เอาต่อมาครับขอบคุณอลัลลอฮ์ที่อลัลลอฮ์ให้ลูกเห็นไหมเราเองก็ต้องขอบคุณอลัลลอฮ์ที่อลัลลอฮ์ให้ลูกจากนั้นเมื่อมีลูกแล้วต้องดูแลลูกให้ดีต้องดูแลลูกให้ดีเลยแล้วก็เพราะมาเป็นเนี่ยเอามาที่เราขอมาใช่ไหมครับเอาต่อมารับบิจัลนิมุกีมอสซาล ฆ่าแต่พระผู้อภิบาลของฉันรอบบีฆ่าแต่พระผู้อภิบาลของฉันอิจญัล น, น, นะ น, น, นีได้ทรงโปรดทําให้ฉันนี่ขอให้กับตัวเองนะรับบิจญัลนีฆ่าแต่พระผู้อภิบาลของฉันได้ทรงโปรดทําให้ฉันเป็นผู้มูตีมาโซลาดารงการนามาความจริงนามาดนะ่ยไม่ใช่ภาษาไทยนะ เป็นภาษาเปอร์เซียภาษาเปอร์เซียภาษาอิหร่านนะแล้วก็คนอินเดียเนี่ยเอาไปใช้เรียกว่านามาสภาษาอูรดูเนี่ยผมพูดอูรดูได้นะอูรดูแปลว่านามาสภาษาอูรดูแปลว่านามาตและพวกเราเนี่ยเอามาใช้เป็นละมาตอืมนี่ที่มาที่ไปต้องรู้นะนามาตเป็นภาษาเปอร์เซียและภาษาอูรดูก็เอามาใชา้ใช่ไหม ดำรงการนามาผมจะเรียกนามาเพราะติดภาษาอุน ด, ดูอยู่อินเดียหลายปียังติดอยู่เลนะนี่ น, นะ น, นบีิบรอฮิมขออนุญาให้กับตัวเองอ่ะรอบบิญจานีมมกีมอสาเลโอพระผู้บังของฉันได้ทรงโปรดทำให้ฉันเป็นผู้ดำรงการนามาใช่ไมเรื่องนามาที่เรื่องใหญ่ที่สุดเนี่ยพออยู่ มีลูกแล้วต้องขอบคุณอัลลอ์ด้วยการนมาห์เพราะนมาห์เป็นอิบาัดาที่ดีที่สุดในบรรดาอิบัตดาทั้งหมดและขาดนมาห์ไม่ได้ด้วยบาปอย่างแรงเอาต่อมาครับว่ามีสุริยตีและส่วนจากลูกของฉันด้วยให้ลูกนมาห์ด้วยใช่ไ้ย เไมเราเอ็ก็ต้องขอบแบบนี้แหละโอ้อาลอลให้ฉันได้รักษาการนามานให้ครบแล้วก็ลูกของฉันน่ะก็ให้รักษานามานด้วยเอาดูอาของท่านาบีอิบรอฮีมนี้มาขอให้กัตัวเราเองวันนี้อัลฮัมดุลิลละนะครับรับบานาวะตะก บ, บัลดูอาข้าแต่พระผู้อภิบาลของเราได้ทรงตรดรับการวิงวอนหรือการดูอา ของฉันด้วยเถิดอัลลอฮ์นี่เป็นการอ้อนวอนต่ออัลลอฮ์ท่านเราก็ต้องขออย่างนี้แหละนะเรา บ, บิณฑัญญ์มุกิมัสซลาตีว่ามินซุริยตีรบ บ, ะะบบ์นาวะตะควบัน دعاء เราก็ต้องจำตัวอาร์บทนี้นะครับแล้วก็ขอหลังนมาหรือตอนนั่งรถที่ไหนก็ขอได้ตลอดเวลาไม่จำเป็นจะต้องเป็นหลังหลังหลังนมาทุกครั้งไป ไม่จะนมานาม า, า, มาสุนันก็ขอได้ใช่ไหมนะครับเรื่องนามานี่เป็นเรื่องใหญ่ขออธิบายนิดหนึ่งคนที่ขาดนามาเนี่ยโทษมันตกศาสนานะทําบาปอย่างอื่นๆโทษยังไม่หนักเท่ากับขาดนามาตนี่ยต้ออธิบายให้ลูกฟัง น, นะทําดีนาบาปไหมบาป ลักขโมยบาปไหมบาปนินทาบาปไหมบาปผู้หญิงออกนอกบ้านไม่คุมพิจารบาปไหมบาปบาปทั้งหมดนั่นแหละแต่บาปนามาั่นนักกว่าการทําบาปสามสี่ข้อนี้ฆ่าคนก็บาปด่าคนก็บาปแต่ว่าการไม่นามาตนะครับบาปใหญ่กว่านั่นต้องอธิบายให้ภรรยาฟังให้ลูกลูกฟังด้วยว่าเรื่องนามาต์เป็นเรื่องใหญ่เพราะนบีอิบรอฮีมนี่เป็นห่วงนะ เป็นห่วงลูกหลานมากเลยและเป็นห่วงตัวเองด้วยวันแล้วขอตัวอาให้ตัวเองเนี่ยหนึ่งขออะไนะให้ฉันเป็นคนที่ดํารงนามาแล้วก็ลูกๆของฉันด้วยให้จํารักษานามาให้ครบวันละห้าเวลารวมไปถึงนามาทุนงสุนัตเนี่ยเราสาให้หมดเลยอาซุนัตมีเท่าไหร่เราลืมเก่งมีอยู่สองฮะดีสนะหะดีสหนึ่งบอกว่าสวันหนึ่งสิบสองละกาต อีกขัดดิหนึ่งบอกว่า10รากะอัด12บอรากะอัดนะคิดยังไงก่อนนมาซุโฮตสีหลังอีกสองเป็นหไปแล้วบางขัดดิสเนี่ยบอกว่ามีก่อนซุโฮตสองใช่ไหมแล้วก็หลังอีกสองก็เหลือ10บหลังบเงริฟอีกสองหลังเอเชาอีกสองก่อนซุบโบ อ, อีกสองก็เป็น10ถ้าคิดก่อนซุโฮตสีเนี่ยกลายเป็น12 ถ้าคิดสองก็เหลือสิบน บ, บีบอกว่าบานอัลลอฮูลาหูไบตันฟิลจันนะใครที่รักษานมาด ว, วันหนึ่งสิบสองลักขาตหรือสิบลักขาตเป็นสุนัขมูอัค ก, ก์ดาเนี่ยอัลลอฮ์จะสร้างบ้านหลังหนึ่งให้เขาในสวนสวรรค์โอ้โหห้ามอยู่เลยแหละ้าอ่านฮะดิษแล้วมันสบายใจนะครับอ้าต่อมาครับรอบบานอัลฟิลลีโอ้อันนี้ขอดูอานะ่พี่น้องอัลลอ ให้กับใครนะข้าแต่พระผู้อภิบาลของเราอีกฟิลีได้ทมงโปรดอภัยใช่ไหมให้แก่ฉันใช่ไหมนี่เป็นดวอานาบีของนบีบรอฮิมอัลละฮ์เล่าในาอัลกรุรอานให้เราจงมามาชาชิกับตัวเราเองรับบานอกฟิลีแล้วคิดถึงใครอีกวาลิวาลิไดียและอภัยให้กับ พ่อแม่ของฉันเห็นไหมวาลีวาลดัยให้กับพ่อแม่ของฉันพ่อแม่จะเสียชีวิตหรือเสียชีวิตไปแล้วหรือยังไม่เสียชีวิตก็ตามให้เราขอดุราให้กับพ่อแม่เราอัลลอฮฺฮุอะบดุลลาห์ ma. นี่ไหเนี่ยลูกที่ดีเนี่ยใช่ไหมต้องนึกถึงพ่อแม่ได้เงินเดือนมาต้องนึกน่าจะให้พ่อสักหน่อยนะ อ๋อ น, นี่มันได้คิดเลยมันได้คิดอยากจะให้ลูกๆนะคิดถึงพ่อแม่นะอัลลอฮ์อ้อาวนี่นะรับบานาอูฟิ ล, ลีวาลิวาลีไดยนะครับเดะทรงโปรดอภัยโทษให้แ ก, กฉันและอาภัยกับให้กับพ่อแม่ของฉันและครต่อไปอีกเห็นไม่ใจกว้างแค่ไหนวาลิลมุมีนิน และผู้ศรัทธาทั้งหลายอัลลอฮฺอักบารเห็นยังอ่ะเนี่ยไอข้ออย่างนี้นี่ยคนกาเฟตไม่มีคนกาเฟ ต, เฟตที่คนกาเฟตไม่มีคนมุหมินเนี่ยอัลลอฮฺให้ความเป็นห่วงสูงมากขอให้ตัวเองหายกับพ่อแม่และขอให้วาเลนตุมุห ม, มินบรรดามุหมินทั้งหมดเนี่ยอยู่ในเขเมรก็เข้าอยู่ในเวียดนามก็เข้า อยู่ในลาวก็เข้าทั้งไทยที่เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอน์เหมือนเราเนี่นะดูอาของเราเนี่ถึงหมดเลยแล้วเขาก็ขอให้เราด้วยต่างคนต่างขอให้ซึ่งกันและกันเนี่ยมันบรรากาศแก่ไหนอัลลอฮฺอักุะนั้นมุมุมินถ้ามีประมาณสักสองพันล้านคนขนาดนี้อยู่ในโลกอาดับอยู่เท่าไหร่ใช่ไหมต่างคนต่างขอดูอาให้กันเนี่ยดูอาบทนี้นะโอ้โหพี่น้องครับ รบหนักฟิลลิวลูวาลิดายะวลลุ่มุ่มินีในยามยา قوم อลฮิสาบะในวันไหนรู้ไหมนู่นอในวันที่จะตั้งการชำระบัญชีนู่นไปให้อภัยในวันนู่น <c oughs> เห็นไหมวันไหนวันที่ถูกชำระบัญชีไปยืนอยู่ต่อนหน้าอัลลอฮฺสุบานูตาล นี่สอนให้เรานึกถึงวันสิ้นโลกสอนให้เรานึกถึงวันตายสอนให้เรานึกถึงวันที่ฟื้นขึ้นมาในวันตรีอะมะทำไมต้องเตือนบ่อยๆอ่ะเพราะเราเนี่ยไม่ค่อยได้นึกถึงโลกอาคีรอดเท่าไหร่อย่างอายาที่ผ่านมาเมื่อก่อนเนี่ยอเลอร์จะพูดเรื่องโลกอาคีรอดเนี่ยมากกว่าพูดเรื่องโลกดุนยานจะพูดให้เรานึกถึงโลกอาคีรอดให้มากกว่าโลกดุนยา เอาเช่นให้นามาตงานอะไรแต่งานงานอาคิร์โรขอบคุณอัลลอฮ์งานอะไร thì? งา น, งานอาคิระโรแสวงหาฤสกีในงานอะไรงานดุนยา<__ใช่ไหมอายาเดียวเนะี่ยพูดเรื่องงานอาคิระโรพูดตั้งสองครั้งแต่พูดเรื่องฤสกีเนี่ยพูดเรื่องอายาพูดตั้งคำเดียวครั้งเดียวพูดเรื่องขอบคุณอัลลอฮ์คำดึกถึงอัลลอฮ์จะพูดหลายๆายครั้งเนี่ยเพื่อเตือนให้เราอ่านอุลวาน ให้รับรู้ว่าให้เรานึกถึงโลกอาคีราะมากกว่าโลกดุนยานะครับเอาต่อมาครับอายะสุดท้ายว ولا تحسبن الله رافلا عم يعمل الظالمون อายะนี้ดีนะครับต้องการจะอธิบาย นะครับสภาพของวันเตียมะวันที่รุนแรงที่สุดวันที่โกลห์หนที่สุดอัลลอฮ์สอนในคับภีรคุณอ่านบอกว่าวันละตาซาบันอัลลอฮ์และสูเจ้าอย่าคิดว่าตะซบันน่าแปลว่าคิดว่าอยากเข้าใจว่าอยาคิดว่าอัลลอฮ์รอฟิลันอัลลอฮ์สมเฉยเมย อัลลอฮ์ทรงเฉยเมยอัลลอฮ์ลืมอย่าคิดว่าอัลลอฮ์เนี่ยไม่เอาเรื่องอย่าคิดว่าอัลลอฮ์เฉยเมยอัลลอฮ์ลืมอย่าคิดอัมมายามาลลอลิมูนพวกอธรรมนะพวกอาธรรมคนที่อาธรรมคนอเลมที่ทําความผิดเอาไว้เนี่ยอย่าคิดว่าอัลลอฮ์นั้นไม่เอาเรื่องอย่าคิดอย่างไง ตัวลงมาคนที่ทําผิดวันนี้ยอลัลลอฮ์ไม่ลงโทษนี่นะ่ะเพราะอะไรรู้ไหยนี่แหละเป็นหลักฐานยืนยันว่าอลัลลอฮ์ประวิงเวลาเอาไว้ยังไม่ลงโทษคุณต้องสังเกตนะก่อนที่อลัลลอฮ์จะลงโทษใครสักคนหนึ่งเนี่ยเวลาเขาทาผิดนี่นะอลัลลอฮ์จะส่งคนมาเตือนก่อนสังเกตสังเกตสังเกตสังเกตนะอ้าวคนที่ทำผิดผิดผิดผิ ด, ผดอะไรไว้ เราจะเาจะเมตตานะก่อนที่เอาเรจะลงโทษคนคนหนึ่งเนี่ยเราจะส่งคนมาสอนก่อนมาเตือนสติยกตัวอย่างฟาโร่ฟิลิปทริยตต่ออัลลอ์นะ่ะบาปที่ฟาโรท่ทำก็คือมีอยู่สองข้อใหญ่ๆนะประกาศตัวเป็นพระเจ้าอ า, อาณารอบบูกุมุนอลลาฉันนี่เป็นรบ เป็นบะพุอภิบาลของพวกท่านไม่ใช่หรือพาะฉันเป็นโอ้โหเป็นมาลิกเป็นคิงเหรใช่ไหมนะดูแลคนทั้งประเทศเนี่ยชันใหญ่สุดอนันารอบบุกมุลอาแ ล, อา ล, อาล้อัลลอ์บอกไม่ใช่นี่มีคนใหญ่กว่าท่านอีกและเรื่องที่สองอที่อัลลอ์อาลาไม่พอใจที่เป็นบาปใหญ่คือกดขี่ประชาชนแล้วข้อที่สามันเลาะให้เงิน เยอะมากเลยก่อนที่อัลลอฮ์จะลงโทษฟาโรห์ให้จมน้าตายเนี่ยอัลลอฮ์เมตตาทรงใครมาน บ, บีมูซาอะลัยฮุสาลามนี่แหละเป็นข้อเตือนใจต่อจากพวกเราวันนี้ทัานคนที่ทําผิดมุสลิม ท, ที่ที่ไม่เอาศาสนาเยอะไหมเนี่ยพวกเราที่ไม่เอาศาสนาเนี่ยเต็ไมไปหมดนะฉะนั้นก่อนที่อัลลอฮ์จะลงโทษเล่นงานท่านนะ่ยทีละคนละคนละคนเนี่ย อย่างน้ำท่วมครั้งที่แล้วเนี่ยเราเล่นงานนะไม่ใช่ว่าเลาพอใจะจะเล่นงานแต่ทีก่อนจะเล่นงานเนี่ยเลาก็ส่งคนมาสอนก่อนอส่งทีเอ็มทีวีไปสอนถึงหน้าบ้า น, น่ะถึงบ้านนะ่ะไม่เอากระทำใจอี่เราส่งมาแล้วนะเนี่ยระวังให้ดีนะคนที่มีทีเอมทีวีหรือมีทีวีช่องที่สองช่องวันนี้แต่การมุสลิมอยู่นะไม่แม่เขาช่าเลยเปิดละครดีกว่า ก็เชิญใช่ไหมนะใช่ไหมนะระวังนะนี่นะเมือเอ่ออัลลอฮส่งความเมตตามาถึงบ้านทานแล้วถ้าไม่เปลี่ยนแปลงเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวอลลอจะท่วมข้างใหม่นี่หนักกวเกานะท่วมยังพรนหนีได้นะถ้าแผ่นดินไายจะหนีไปไหนและไอ้ตึกสูงสูงอย่างเงี้ยบังเอิญไปนั่งนั่งอยู่ข้างบนนะ่ะ อ, อัลลอฮฺเวุบลงมาเนี่ยเหลือ ตายเรียบหมดเลยน่ะไม่มีโอกาสได้ทันเตาบาตัวต่ออัลลอฮ์น่ะต้องนึกครับไอคนนั่งเครื่องบินบ่อยๆก็ต้องนึกนี่อัลลอฮ์ให้ตายเค่างบินตกเนี่ยไม่เหลือสักคนหนึ่งน่ะอัลออลอฮ์ฉะนั้นขอบคุณอัลลอฮ์น่ะนี่อัลลอฮ์สอนนะครับวะลา تحسابن الله عرفيل ناما يا ملزوليمون สุ่เจ้าอย่าคิดว่าอัลลอฮ์ทรงเฉยเมย ต่อที่พวกอาธรรมกระทำคนซเลเมคนเนี่ยกาเฟสเนี่ยอาธรรมแล้วก็คนมุสริกเนี่ยตั้งพาคีกับอลัลลอ์เนี่ยคนที่ไปหาโตะตะเกียววันนี้ถ้าไม่เลิกไม่เตาบ้าตัวต่วตวออัลลอ์นะนั่นเป็นคนอาธรรมนาะไปหาโตะระยองไปขอจากคนตายเนี่ยเป็นรองนั่นเป็นการอาธรรมที่เลวที่สุดอลัลลอฮ์ไม่ลงโทษเพราะอะไรต่อมา อินมาอยู่อัค ah รูมพระองค์ทรงเพียงแต่ประวิงอัครอยู่อัครูแปลว่าประวิงเลียวมินจวบวันหนึง่งประวิงไว้วันหนึง่งเท่านั้นเองนี่อย่าลืมว่าโลกดุนยาใบนี้นี่นะถามว่าอายุมันยาวกี่ปีถ้าเรามองกันจริงๆน่โอ้โหมันหลายพันปีใช่ไหมลนะ่ะ แต่มองจากกุรอานนะ่มันแค่ครึ่งวันเท่านั้นเองเอาลอประวิงไว้แค่ครึ่งวันหรือไม่ก็ชั่วโมงสองชั่วโมงนี่ถ้าไปอยู่ในโลกอาคิรอนนะแล้วก็มองภาพกลับมาโลกดุนยานะแค่สองสามนาทีเองแตกๆกันนั่นเองเนี่ยอธิบายยังไงด้นโลกดุนยานี่นะมันสั้นนิดเดียวเอาล้อประวิงเวลาเอาไว้ไม่ลงโทษคนที่ไม่นามาศ อัลลอฮ์ประวิงเวลาคนที่ไม่เอาศาสนาอัลลอฮ์ไม่ลงโทษทันดีทันใดคนที่อยู่บนโลกดุลยาบานัน้ที่ด่านบีมุฮัมมัดที่ตําหนิอัลกุรอานที่ดาา่ารอซูลที่รังเกียร์สุนนะนบีเนี่ยอัลลอฮ์ประวิงเวลาเอาไวา้ลียาวมินแค่วันหนึ่งหรือครึ่งวันเท่านั้นเองเมื่อเทียบกับวันในโลกอาคระร์วันในโลกอาคระร์เท่าไหร่ ทีเราเรียนมากีปีครับห้าหมืนปีบางอายาว่าพันปีใช่หมห้าหมื่นปีกับนี่กับวันยีิบสี่ชั่วโมงเนะี่ยมันต่างกันตั้งเยอะไหมเห็นหนระือใช่การประวิงเวลาของอัลลอฮนะ์นั้นดีไหมดีครับอธิบายอายาอื่นอธิบายว่าที่อัลลอฮ์ไม่รีบลงโทษคนที่ทำผิดผิดผิดผิดผิดต้องการจะให้เตาบ้าตัวต่ออัลลอ แล้วอัลลอฮ์ก็พูดนบีก็สอนเนี่ยเตาบ้าตัวเนี่ยอลัลลอฮ์เปิดนะยังเปิดอยู่นะยังไม่ได้ปิดถ้าเราเข็นเข้าห้อง i อซนะไมีอีกชั่วโมงหนึ่งตายความอะไรนะความตายมาถึงคอหอยนะนั่นปิดแล้วจบตี่ตัวใครตัวมันใช่ไหมไอชนิดที่อลัลลอฮ์เปิดปิดแบบแบบไหนแบบ แบบนี้แบบทั่วๆไปนะถ้าตะวันขึ้นทางทิศตะวันตกจบห่านใครจะตะบ้าตัวต่อลอดหลังจะวันนั้นนะหมดสิทธิอ์อัลลอฉันไม่รับแล้วก็ส่งมือหมัดมาบอกแล้วทำไมไม่เชื่อล่ะอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นวันนี้อลัลลอฮไม่รีบลงโทษประวิงเวลาเอาไว้เลี้ยวมินวันหนึ่งเท่านั้นเองพี่น้อง ัลียวมินตัขอุฟฮิลอบสอดมันไม่อยู่วันหนึ่งพี่น้องวันไหนรู้ไหมวันทียมานหนพี่น้องสายตาของเขาจ้องโพลงตาเลือกนะพี่น้องวันนั้นไหนพี่น้องเอ้ตาเลือกกันหมดเลยไอ้พวกคนที่เป็นมุสลิมที่อีมานต่ออนะัลลอฮ์หนาตามันไม่เลือกมันจะยิ้มสบายห้องจีริ คนนามายครบรอบเวลาคนที่ทํางานศาสนาของอัลลอฮ์คนที่เป็นห่วงคนดูแลคนใช่ไหมลนะ่ะแล้วก็สอนศาสนาคนแต่คนที่รับผิด ช, ชอบดูแลสงังคมดูแลครอบครัวคนดีๆทั้งหมดเนี่ยเอาอักราของนบีมูฮัมหมัดมาใช้ในชีวิตประจําวันเอาอักราของบรรดาสัฮาบานาบีมาใช้ในชีวิตประจําวันเนี่ยคนเหล่านี้นะพวกเขาตาเหลือกแต่เราเราเดินสบาย มีคำพูดบอกว่านะพอวันกิยมามาคนดีๆเนะี่มันมีอยู่เจ็ดจำพวกอยากจะรู้ไหมนะใครบ้างอิมามูนาดิลเป็นอิหมามนคนมันจะอีมานอิมามต้อมานำมาใหเวลานะี่ยนะอิมามมาดิลอิหมามผู้นาําผู้นาําผู้นาําผู้นาําผู้นาํนาที่อาดินที่ไรนะที่มีความยุติธรรมนะ สองคนที่เป็นหนุ่มหนุ่มๆนมนะอย่างพวกท่านหนุ่มๆอยู่เนี่ยคนหนุ่มคนสาวนะที่ใช้ชีวิตอยู่กับการพักดีต่ออัลลอ์นี่ประเภทที่สามใช่ไหมพูดถึงคนหนุ่มคนสาวประเภทที่สามเนะี่ยหัวใจที่ผูกพันกับมัสยิดวรรยูลุนกอลบูฮูมวและกุนบิมัสยิดหัวใจที่ผูกพันกับอัลลอน์่กลุ่มที่สามนะ กลุ่มที่สีคนที่บริจาคเห็นไหมพูดถึงบริจาคด้วยทําบุญทําบุญบริจาคมีสี่อย่างนะหนึ่งสดดกอหนึ่งอากาศสองสดดกอสามฮาดีให้ของขวัญกันสทําำวากรฟนี่นะคนประเภทนี้นะครับบริจาคแล้วบริจาคมือขวามือซ้ายไม่รู้อธิบายยังไงไม่ต้องไปโฆษณาให้ใครเห็นให้ใครรู้นี่กลุ่มเท่าไหร่แล้วเนี่ย กลุ่มที่สี่แล้วก็กลุ่มที่ห้าบุคคลที่ <c oughs> อยู่คนเดียวนะอยู่คนเดียวแล้วก็ร้องไห้หมายความว่าลุกขึ้นนะมาตอนกลางคืนคนเดียวนี่นะครับจำเลึกถึงอัลลอฮ์แล้วก็ร้องไห้นี่กลุ่มอะไรเนี่ยที่ห้าแล้วกลุ่มที่หอ่ะเอาเอาใครนี้ก่อนนึกไม่ออกกลุ <c oughs> ่มเหล่านี้นี่นะจะอยู่ใต้ร่มเงาของอัลลอฮ์ ในทุ่งนูนะในทุ่งม้าชักนะในภาษาอูรดูก็พูดดีนะภาษาอูรดูบอกว่าอะไรอนะนาชตานาชนาชตามาถึงกินอาหารเชา้าเบรฟาสกินอาหารเชา้าที่ที่ไรนะที่ใต้บลังอัลลอ์ที่อารัชของอัลลอ์ใต้บาลังแล้วก็ลันอาหารเที่ยงในสวรรค์อัลลอฮ์อักวาส นั่นพูดศรัทธาต่ออัลลอ์เนี่ยเจ็ดเจ็ดกลุ่มเนี่ยแะนะหฮัมดยู่เลยละพี่น้องคนที่หัวใจผูกพันกับนมาดอิมาดมีเด็กหนุม่มเด็กสาวที่ใช้ชีวิตยอยู่ในาศาสนานี้นะครับก็ดูแลลูกเราให้ดีอ่าฉะนั้นขอบคุณอลัลลอฮ์นะครับที่ตรอตาลาเล่าให้เราฟังว่าคนอเล็มคนอธรรมอย่าเฉยเมอยอย่าคิดว่าอลัลลอ์เนี่ยเฉยเมอยอลัลลอ์ลืม อั ot, ลลอ์ไม่ลงโทษฉันแล้วฉันไม่เอ า, าศาสนาอัลลอ์ยังไม่ลงโทษนึกว่าอัลลอ์ไม่เอาไม่ใช่อินนามาอยู่อาคิรุหุมแท้จริงเราได้อะไรนะประอวิงแกพวกเขาจวกปวันซึ่งสายตาจ้องโผลมในวันนั้นตาเหลือกตาลานหมดเลยครับพี่น้องเลยกวันกลัวกันมากวันนั้นกลหวแล้วหสุดแล้วไม่มีอะไรที่ยิ่งใหญ่กวันเตียมานะครับ นะยายอีกอย่างนึงมุขเยนะวิ่งตาลีตาลานมุขเย์วิงตาลีตาลานมุกเนียแปลว่าเหยียดชูคอรู้ซิ่มเสสะคอตั้งแบบบัวแบบควายสังเกตไหมล่ะเวลามันมีตกจชจมชะเง้อหัวนะเราเองก็เหมือนกันในวันมู้นทําเหมือนควายเลยแหละ หน้าเหมือนกันนะ่ะโอ้แล้วก็ไม่มองข้างหลังนะมองข้างหน้าอย่างเดียวกูจะไปไหนรอดในงานเนี่ยคอตั้งเลยแล้วก็ตาเลือกเนี่ยนมาศไม่เอาราชการไม่ใจตองอ่านไม่เคยจับกั่หนังสือพิมพ์ทุกฉบับซื้อหมดโอ้โหซื้อพิมพ์นี่ผ่านไปแล้นะไทยรัฐต้องอ่านเพราะวัวนข่าวดี ก่านนั่งวางอยู่ที่บ้านเน่ยไม่รู้กิเล่มตัวกิเล่นไม่เคยจับสักทีเนี่ยระวังระวังให้ดีตาตั้งแน่แต่วันนั้นะนะสนุกแน่ละมันละนะลายตัดดูอีลายิหมสายตาของพวกเขาไม่หันกลับตอตฟูฮุมสายตาของพวกเขาไม่หันกลับอย่างพวกเขาเลยวะอฟีดาตูฮุมแหววและหัวใจของพวกเขา ว่างเปล่าวขวัญเสียใจเสียหมดเลยนะตอนนี้นะกินเหล้าเพลินทำซีนามันนอนสุบโบไม่ตื่นเชิญเดี๋ยวเธอเดี๋ยวเธอรู้เองอนะรู้เองอนะแล้วแก้ตัวได้ไหมไม่ได้ระหวางที่นอนอยู่ในกูโบเนี่ยอลัลลอ์ให้เห็นแล้วนะ่ะคอตั้งเห็นแล้วตอนนีนะ้ตอนนอนอยู่ในกูโบนะขอร้องอลัลล อ, นะอบบ์นะราเบ็ด อัลลอฮ์ส่งท่านกลับมาอยู่มาอยู่โลกดุนยาใหม่ท่านจะมาหนามาท่านจะมาถือศีลอดวันจันทร์วันบุรษุษผลบุญมันเยอะเหลือเกินอัลลอฮ์ส่งกลับมามามไม่ทรงขอร้องแล้วไม่ทรงวิญญาณก็ไม่กลับมาด้วยถ้าวิญญาณกลับมาก็ยุ่งอีกอยกตัวอย่างอ่ะยกยกตัวอย่างนะผัวตายยกตัวอย่างผัวตาย ผัวตายเสร็จแล้วก็เมียก็แต่งงานใหม่ก็ขมิ้นส์แต่งขมีิ้นส์แต่งอยู่แล้วแหละผัวตาก็ทุกอาทิตย์กลับมาเยี่ยมภรรยามาเจออาญาอยากลับไหมไม่กลับดีกว่ากลับมาเจอภรรยาแต่งงานไปแล้วล้อขอ อ, อนุญางกันไม่ขอให้เรามันลืมไปแล้วขออนุญผัวใหม่มันนะยังเป็นต้นนะครับ อา้าวมาเล่าให้ฟังจะนั่งวิญญาณตายแล้วไม่กลับขอร้องเท่าไรอลัลลอฮฺก็ไม่สรงให้ไม่สรงมากลับไม่กลับมาอยู่บนโลกดุริยานี้อีกแล้วไม่มีแล้วฉะนั้นคนที่อ่านกุรอ่านวันนี้นะต้องสํานึกนึกตลอดเวลาว่าเราไม่ได้ถูกสร้างมาให้คิดอะไรตามใจชอบไม่ใช่ต้องคิดตามกุรอ่านทั้งหมดเลย سبحانك ALLAHumma ubihamdi kashfala illa il anta astafruka wa atubilaih a s s a l a m u alaikum warahmatullahi wabarakatuh